ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พุทธบูชามหาเตชวนโตมั้ยรําคาญเสร็จแล้ว ไหนไหนก็ขึ้นกันมาแล้ว โลกวิถูบ้างอะไรก็ตามหรือภกวาก็ดีเถรันบอกว่าการภาวนาอย่างนี้เป็นพุทธบริษัตรคําว่า คำว่าเดรัจฉีและติฏฐิยะภาษาบาลีเรียกว่าภายนอกก็หมายความว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จ ท่านบอกว่าถ้าภาวนาแบบนั้นแล้วก็มันเป็นของไม่ดี อันดับแรกก็ชิบหายจากอบายภูมิคือไม่มีมีโอกาสตกนรกไม่มีโอกาสเกิดเป็นเปรตหรือสุรกายเป็นสเด็จฉานไม่มีโอกาสจะได้เป็นคนจนยากจนเข็นใจนี่ชิบหายเสียแล้วจากความ อาตมาที่บอกว่าคิดว่า แต่ว่าคนที่เขาพูดอย่างนั้นเขาไม่หมายความว่าอย่างนี้เขา บรรดาท่านพุทธบริษัทจำได้ไหมว่ามันแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ถูกนินทาว่าร้ายผู้แกร่งแกร่งด้วยคนที่ประกอบด้วยความชั่วมีจิตชั่วมีความเศร้าหมองในจิตที่บรรดา ถ้าเราถูกแบบนั้นเข้าจงก็เราเราพุทธบดีสัตว์จะไม่ แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงอย่ายึดถือเอาเหนื่อย ปริศุทหมดฤทธิ์ไปเองปล่อยเค้าอย่าไปยุ่งกับเค้าบรรดาท่านพุทธบริษัทตามใจเค้า 500 มี แทนที่จะได้รับโทษทันจากพระพุทธเจ้าจากพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระเจ้าเทนยมพราชทานเปิดหน้าต่างให้เจ็บใจมาวันหนึ่งพระเจ้าเทนทรงเสด็จสันตําหนักพระนางมาคณิยาอีกตอนนี้นางมาคณิยาให้คนจับงูพิษ เอาใส่ไว้ในช่องของพินเอ 7 วันครบ 7 ที่ นามมคณิยาก็ออกท่าอีกว่าอย่าไปเลยพระเจ้าค่ะนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง 500 คิดจะฆ่าพระองค์หม่อมฉันเป็นห่วงใหญ่ในชีวิตของพระองค์พระเจ้าอุทเธนไม่เชื่อมันแล้วนี่ก็ไม่เชื่อต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ช่างในเมื่อหน้าที่ของเราจะต้องไปอยู่ตำหนักใน 7 วันเราก็ต้องไปไม่จะตายก็ให้มันตาย พระมองค pouch coach would say that if the king would need to enter, being 때문에 show me that I took as push him to engage in the right. Pyj trabajo te llamada al iguana, hogy least não by think they need to, 所以 ők戒la ap�SHout balek activity. The way I have just started with that crow. It 근데 it that she didn't give the เมื่อพระเจ้าเทนเสด็จก็ไปสู่ประสาทของนางสามาวดีเพิ่นนางก็จัดน้ําหอม 16 มาเดินมา ไปเห็นคนนั้นหลายเผลอก็ดึงดอกไม้ออก หญิง 500 นี่ก็เหมือนกันช่างไม่ 500 คนนี่ พระเจ้าแทนบรมกษัตริย์ไม่เห็นๆ นี่เป็นความดีของยอด 500 นี่ทรยศแน่ก็ประกว่า 500 ก็กล่าว ไม่ทราบว่างูร้ายตัวนี้ไมไม 500 คนยืน แล้วก็ขอให้พระราชาสมทบ 500 คนที่เป็นบริวารเสีย ความจริงงูร้ายนี่เราไม่เคยเห็นจริงงูร้ายนี่เราไม่ พระเธอทั้งหลายนี้จุมแผ่เมตตาความรักไปในพระราชาและพระนางมาคันธียาเมื่อให้อวาดแล้วและหญิงทั้งหลายบอกว่าพร้อมแล้วจิตใจสบายแล้วพระนางสามาวดีจะให้สัญยาให้พระเจ้าเทนทรงยิงอัศดีกันเพื่อท่านโนร้ายที่สามารถจะยิงหัตถลุ 500 คน พระเจ้าแห่งก็ส่งปล่อยลูกธนู 500 แผ่เมตตาจิตแล้ว มีความมั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์มีศีล 5 บริสุทธิ์ตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัตรลูกธนูที่ไม่มีจิตใจก็เข้าไปใกล้อกของมนางสามาวดีมันหวนกลับจะเข้ามาแทงอก มันยังรู้คุณความดีของวรรณางค์สามาวดีพร้อมๆคนๆอย่างนี้เล่นระยะ พระนางสามภวดีเห็นพระราชสวามีทำอย่างนั้นมันไม่เป็นการสมควรเป็นปัญญาแล้วยังไง แล้วไว้ในภายหลังท่านนึกขึ้นมาได้แล้วจะคุยสู่กันฟังว่า บรรดานางสามาวดีจึงได้รีบก้มลงประคองก็เลยบอกทรงตัดว่าไม่ได้นี่เรามีความผิด คณะสามหาวดีก็บอกว่า เออบอกว่าเธอมีบิดาเนี่ย ฉันนันทะบรมองค์จะขอเข้ามาโทษต้องขอเข้า แม้ว่าจะนำฉันบังคับให้ฉันเป็นคนรับๆที่พระองค์ทรงพระราชทานนี้พอแล้วพระ <c oughs> นี่ความเป็นคนพ่อนั้นมันดีอย่าง อยากจะขอพระราชทานพรให้พระองค์ทรงอัญญาสัย จึงขอให้พระราชาใช้คนไปรัตนาองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถมาใน เหล่าองค์ศาสนเทพยินสีไม่มีโอกาสมาในคราวใดก็ขอให้ทรง ให้คิดในใจว่าแม้นี่เราจะฆ่ามันนะมันกลับได้ดีหนักเข้าไปเจ็บใจต้องคิดฆ่าให้ได้หญิง ดูที่น้ำใจดูน้ำใจ 500 พร้อม บางวันถ้าพระองค์มาไม่ได้ก็ <c oughs> มาพระอนนท์มาหญิงทั้ง 500 ก็ถวายผ้ากำพลกับพระอนนท์คนมีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็บอกว่าถวายพระอนนท์ไปแล้วพระองค์ เมื่อทราบว่าถวายพระอนนท์ไปแล้ว 4 ฝืนว่า 16 ฝืนยิ่ง 500 คนก็ถวายพระอนนท์ วันหนึ่งเมื่อพระอนนท์เข้ามาในพระ 500 ถวายผ้ากำพลแก่พระคุณเจ้าไป พระอนนก็บอกว่าผ้าที่จะไปนี้ๆทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพวก พระที่มีจีวรเก่าๆมีอยู่ที่ให้กันก็ให้กันตามลําดับข้าพเจ้าเองก็ถามว่าพระที่มีจีวรเก่ากว่านั้น พระเจ้าถึงเลยถามว่าถ้าให้ผ้าเช็ดเท้ากับผ้ารองนั่งนี่ถ้ามันขาดมันเก่าอีกเอาๆก็ผ้าผนนั้นมาฉีกเข้าที่อยู่ เพราะเจ้าเถียนเนี่ยได้ทรงถามว่าทําไมน่ะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของที่เจ้าบ้านก็ให้หรือมีเป็นความจริงนี่ พระสงฆ์จะต้องรักษาศรัทธาไทยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้คงอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระ ครับแล้วก็ทําให้เป็นเป็นประโยชน์ทั้งที่สุดพระเจ้าเทนไม่ได้ฟังพระอนนก็เกิดความเลื่อมใสอีคราวนี้เอาเองสั่งให้คนขนผ้ามาจากพระคลังคือผ้า แลบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับพระสงฆ์ที่ นะผลที่เขาได้มาเหล่านั้นคือขอๆพอปรากฏ มาซื้อผ้าไกลบ้างผ้าสบงจีวรผ้า เถระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเจอ การทำไร่ทำนาการค้า ตัปปันดาญาติโยมพุทธบริษัตรทั้งหลายยะถามว่าเวลานี้พระท่านมีรถยนต์จะว่ายังไงก็ ถ้าจะถามว่าถ้าพระมีตู้เย็นมี ดูตัวอย่างในในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประชวนอยู่ความจริงองค์สมเด็จพระบรมครูนี่ วันหนึ่งหญิงที่เป็นเพื่อนกันอยู่ผืนหนึ่งราคา 500,000 ตําลึงคือ 500,000 กหาปณะก็หาปณะเท่ากับ 1 กําลึงของเราเวลานั้นอยากจะไปปูในวิหารเป็นที่นั่งของ ไปดูแต่ถ้าผ้าผืนไหนหญิงเพื่อนเดินเข้าไปณวิหารดูผ้าแต่ละผืนมันมีราคาสมัยนั้นของเราก็ไป ไป. 20 ชาม 400,000 เหรียญลองคูณไปสิว่ามันทําอะไรของ แกก็บอกตามความประสงค์ท่านนนก็บอกว่ายังโยมยังมีโอกาสผ้ากูลวิหารเต็มหมดไม่ขาดแต่ทว่าผ้าเช็ดเท้าของ ถ้ามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัตรทั้งๆในลาภสักการะก็ไม่ ถ้าแบบนี้ไม่ถือว่าสาวกขององค์